<อะไร? S 2> ทั้ง กล่าวว่าเรื่องต่างๆของดาวทั้งหมด แต่เรื่องนิทานนี่เป็นความเป็นจริงที่ก็ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็ต้องเป็นนิทานเหมือนกันรวมความว่าทุกอย่างเป็นเรื่อง แล้วดูดหายเข้าไปหมดโลกต่างๆดาวต่างๆก็ดูดหาย <c oughs> น้ำโดดเข้าไปในถ้ำน้ำโดดเข้าไปในวงในความจริงจะว่าน้ำโดดก็ไม่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตว่าดาวดวงนี้ถูกดาวถุงดํา <c oughs> <c oughs> คือ 7 ปีแล้ว 30 ปี 100 ปีบางที 100 ปียังไม่ออกมาก็มีถ้าหากว่าจะมีใครก็ขอตอบไม่ต้องตะโกนได้เพราะเป็นนิทานเรื่องนิทานเนี่ยพูดก็ยังก็พูด <c oughs> นี่คุยกันให้ได้เต็มที่ใช้คําว่าเหินคือไม่ใช่เหาะเหาะสูงเหินต่ําอัน แล้วก็เหินเรื่อยๆไปชมเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในลึกเข้าไปในสถาน แต่ต่อมานั้นเมื่อจิตใจมันมีความพอใจในมหาสมุทรมหาภะมหาสมุทรที่เห็นนี่สีเขียวมีความสวยสดและงามมากยิ่ง 3 แต่ <c oughs> <c oughs> คนๆละคณะไม่มีล้อ แสดงว่าเป็นคนบอกสันยานอะไรสักอย่างนึงจึงลงไปๆหนักๆคล้ายๆภาษา แล้วก็แต่ว่าถ้าฟังเป็นภาษาของเราก็ฟังได้ว่าเชิญขอรับท่านผู้มีเกียรติซึ่ง 10 ท่านเสร็จๆก็เข้าไปในอาคารของ แล้วเพิ่นนั่งเสร็จเค้าชี้ให้นั่งก็มีคนเจ้าหน้าที่ของเค้าจะถือเป็นคนรับใช้ก็ไม่ถูกนักมีเจ้าหน้า วรรณะขนังข้าพเจ้ามาจากโรอื่นคือว่าอันดับแรกที่มองถึงกันก็ถามได้ว่าก็มีผ้ามีเสื้อเหมือนกันเฉพาะ <c oughs> เขาก็พูดอย่างงี้ก็ตกใจว่าพวกเราปลื้มแปลงกายลืมเอาเครื่องแต่งแต่งให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนตัวมาก็เรียกว่าลืมเครื่องเปลี่ยนเป็นเป็นเครื่องแต่งกายก็ <c oughs> เพราะแก้วที่ประดับเสื้อผ้า ว่าขอเครื่องแต่งกายสภาพที่ปกติให้หายไปมีเสื้อผ้าธรรมดาปรากฏก็ลืม พอตกใจทําไมเข้าลงจากทั้งหมดก็มีสภาพเหมือนท่านเป็นคนเช่นเดียวกัน <c oughs> คนนึกอย่างนี้นี่มันไม่โถเขาก็จับได้น่ะ 2 หายไปไหนทําไม เขาบอกว่ายังนั่งไม่ได้เพราะอาการยานี้พระใหญ่เคยมาแสดงถามเขาว่าพระใหญ่ของท่านน่ะคือใคร <c oughs> เขาก็ตอบว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่รู้จัก พอพูดว่าจักรวาลมนุษย์เขาก็ยิ้ม คือจักรวาลของเขานี่หนึ่งจักรวาล ลอยอยู่ในผิวเดียวกันของจักรวาลก็ถามว่าพวกว่าจักรวาลนอกจากนี้มีที่ไหนอีกเขาบอกว่าเขาไม่ทราบคิดว่า แต่ทุกๆถามถามว่ารู้จักกัน จักรวาลต่างๆ ก็บอกว่าถ้านับเวลาอย่างนี้นะก็ต้องถอยหลังไปประมาณ 2,000 ปีเศษที่พระโมคคัลลาท่านมาบ่อยๆแต่ว่าระยะหลังจากนั้นท่านก็มาแล้วเหมือนกันมาเหมือนกันแต่มานานๆครั้งถ้าจะเทียบตามเวลาของจักรวาลที่ เขาถามบอกว่าเวลาต้อง 2,000 ปีเศษน่ะคนที่นี่อยู่ได้ยัง ก็เลย 8,000 ปีก็ 8,000 ปีนี่มันๆกับ 28 ปีของเราเลยถาม ก็บอกอันดับแรกที่ท่านมาถ้าความดีมาให้แล้วทุกครั้งท่านก็มาย้ำความดีที่ท่านให้ไว้ถามว่าความดีที่พระมุกคลาให้เนี่ยมีอะไรเค้าก็ตอบว่า 1 แล้วก็เบิกขาวางเฉยในเมื่อความไม่สบาย 1 ขึ้นทางกาย 1 ไม่ฆ่าสัตว์ 2 ไม่ลัก 3 ไม่ผิดผิดในกามทางวาจา 4 แล้วก็ไม่จองล้างจองฉันใครมีความเห็นตรงตามคติทั้งหมดที่ ทุกคนปฏิบัติตามนี้เมื่อคอยกาเขาแล้วก็หันไปหาพระท่านท่านก็ยิ้มแล้วก็ท่านมอง พระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดจึงถามก็ว่าเค้าเคยเห็นพระพุทธเจ้ามั้ยเค้าก็ตอบว่าถ้า ว่าอริยะสงฆ์ไม่มีพระ ไม่มีการสั่งประหารชีวิตไม่ได้ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านยังไงก็บังคับ <c oughs> คุยกันไปมันก็จบเค้ามองมาเค้าคุยไปเค้ามองมาไปเค้าก็สงสัยเค้าหันมาถามว่าขอประทานโทษเค้าพูดภาษาเค้าแต่เรานึกเอาเป็น มันเป็นเรื่องไม่จริงเค้าก็ถามว่าคณะ <c oughs> ถ้าเครื่องบินมาถึงแล้วจะเลี้ยวสน <c oughs> ช่วยประยงไกลมาถ้ามันเป็นระบบปรัชญาสัตว์มันต้องเข้าคลื่นของผมแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่าอลอยมันยังไง <c oughs> ถ้าว่ากล้าถ้าก็ไม่มีเครื่องพานะมันไม่ไกลเค้ายอมรับ <c oughs> <c oughs> เลยบอกว่าเวลาที่จะสอนมันไม่มีเวลานี้ยังไม่ต้องการเป็นครูของใครเพราะยังไม่ <c oughs> ก็ตอบเค้าบอกว่าไม่ได้หิวแต่อยากจะดูอาหารเค้าถามว่าทําไมจะดูอาหารก็ตอบเค้าบอกว่า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 ก็ว่าตอบว่าปกติก็กินกันก็ถามว่าปกติแล้วถ้าอย่างเนื้อ แต่การปรุงอาหารด้วยผักจะเอารถอะไรก็ได้ให้เหมือนรถให้เหมือนกับรถชัตว์ประเภทไหนก็ได้ตะเลบอกเค้าว่าขอชมสักหน่อยได้มั้ยอาหารมี ทางโกกับโกบอกว่าการอดแบบนี้ร่างกายกดอดแบบนี้จะ เรานั้นจะปลอมตัวก็แบกความโง่เข้า ในเมื่อเค้าจับได้ก็ยอมให้เค้าจับมันเรื่องไม่แปลกปฏิเสธไม่ไหวพอเค้านําอาหาร ชีพตาเห็นไม่เท่าลองๆแล้วบ่ออีกประเภทนี้มีรสชาติเป็นผักผักโดย เขาบอกว่า พอชี้ไปถามก็บอกอันนี้ผักรวนๆเค้าก็ให้เจ้า ขอความสุข